แม้คณะท่าทายาตโยมลูกหลานลูกหลานญาโมคูบาวัดป่าเนี่ยเวลาได้อาหารมาแจกแจกอาหารแจกแล้วก็นั่งประจำที่แต่พระทั้งหมดฉันมื้อเดียวฉันมือ้อฉันมื้อเช้าลก็จบละไม่มีฉันเพนฉันมื้อเดียว ขนาดฉันมือเดียวยังอดอาหารอีกตับหากนะบางทีอดอาหารหลายวันอีกเนี่ยปลาปลาพระคำว่าฐานนะแต่ว่าตอนบ่ายก็มีน้ําปานะบ้างแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยฉันมือเดียวแล้วก็จบเวลาได้อาหารมาแนละ้วก็แจกให้ทั่วถึงแต่ทุกวันแต่บางเดี๋ยวนี้ก็ไม่เท่าไร แ, แต่บางครั้งบางคราวแต่สมัยกนะ่อนอาหารมันไม่ทั่วถึงบางที ไปทุรงกรรมฐานยกต้นตระกูลลุกปูเสารงปู่มั่นจนเป็นประวัติมาเนี่ยพระสิบองค์ได้ไข่มาแปดได้ไข่มาแปดใบทำยังไงได้ขยำใส่ฟ้าบาดใส่ขยาใส่าบาดเอาเกลือลงเอากลือเสร็จแล้วก่อนเนี่ยเย็บกลวเบียบใบมะม่วงมาเป็นกล ว, วยแล้วก็ตักใส่กลวยมะม่วงแจกให้ทุกองคเนี่แหละ ชีวิตของพระกรรมฐานต้นตระกูลลำบากถึงขนาดนั่นแหละแต่พวกเราเนี่อูโฟละ่ะลูกหลานได้รับมรดกเหมือนกับพ่อแม่ของพวกเราเแต่ทีแรกเน่ยกดกดขุดหัวหลักหัวตอใช่ไหมทำไรทำนาแต่พอมาถึงลูกถึงหลานเนีโอ้อูฟเท่เนี่ร่ลำรวยเพราะพ่อแม่เขาทำมาแล้วผทีนสุด ล, ลูกหลานบางคนกน็ลืมตัวอีกต่างหากแต่ทั้งที่ได้มา ด้วยความยากลําบากของพ่อแม่ตัวเองกลับมาล่ํารวยขึ้นมากินเหล้าเมายาสุรานารีมากมายหลายลายอย่างวันนั้นนะ่ะลูกหลานพระมฐานก็นอย่างเดียวกันนะั่นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพาดําเนินมาท่านดำเนินม า, า, น ด, นนมาด้วยความทุกข์ยากลําบากแต่พอมาถึงพวกเราเนะี่ยท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องเพื่ชายชนรู้จกักศีลรู้จักทานรู้จักการบริจาคทาน พอมาถึงพวกเราเราลืมตัวนะเลอการลืมตัวของพระกรรมฐ า, านเนระลืมได้ง่ายๆเหมือนกันนะลูกหลานนะเหมือนกับลูกหลานเนี่ยนะนะพอได้มรดกพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาแล้วก็ลืมตัวเอ้ยพอได้ถูกกันล่ลมจมจิบหายได้ง่ายๆเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้คณะสัทน า, ทายอดโยม มีท่านสอจอประพศ ธ, ธรรมประทีบอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเขตสนะได้นำคณะสัายาติโยมลูกหลานญาโมได้มาทัศนศึกษาตามวัดต่างๆวันนี้ก็มาถึงวัดหลวงพ่อตั้งแต่ตีสตีหจากนั้นก็คณะสัายาติโยมได้ตักบาตรพอตักบาตรเสร็จแล้วกันมารวมกัน ที่ศาลาแล้วก็คงจะมีการไหว้พระสมาทานศีลมักงไหวพ้พระเนี่อเอาสมมาศาีลโดยเหรออ้อาวจากนั้นก็คงจะรับศีลรับพรล้วก็คงจะขึ้นภูก้อนใช่ไหมไปกราบพระพระนอนภูกอนเอาเริ่มเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาลูกลานสาธุมะยังพันเตวีสุงวีสุงลาคณาธายะ ติสละเนนัสหาตเลนะเนพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโทสาทายาลูกหลานได้ยินไหเสียงชนีปลาร้องที่วัดของหลวงพ่อนะมีทั้งลิงมีทั้งชนีมีทั้งข้างมีหมูปาเก่งสัตว์ป่าเนื้อที่พันกว่าไร่นกเป็ด เต็มันไปหมดเลยนกเป็ดกึมมากเมื่อวานหลวงพ่อไปดูดูพอหน้าหนาวนกเป็ดจะมานกเป็ดจะเข้ามานั่นแต่หน้าแลรงก็ไม่มากเท่าไหร่แต่หน้าหนาวเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่ทราบมาจากชาบีลงชาบีเรียเขาว่านะหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามมันว่ามันมาจากไหนว่ะแต่มันเต็มสา ย, ยาเยอะ วันนี้เป็นวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราช2559คณะศรัทธาญาติโยมฟังฟังถามท่านสอจอท่านบอกว่า150คนนะในเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วลคงจะมีอาหาราเตรียมเตรียมไว้นลูกหลานนะพวกขนมนมเนยหยิบคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็พร้อมกันมีเอ3สา หลวงพ่อให้ไปวางไว้ที่นั่นเจ็บเอาหยิบไปคนละแผ่นนะลูกหลานนะถ้าว่าผู้ใดมีเครื่องฟังเงี้ค่อยเอาหยิบไปถ้าว่าไม่มีเครื่องฟังหยิบไปก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เฮีไม่ต้องเอาเพราะอะไรถ้าออกไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงเหมือนพระได้หวีพวกเราคิดว่าพระได้หวีจะเกิดประโยชน์ไหมพวกเราได้อิมพสามไปไม่มีเครื่องฟังก็อย่างนั้นละ่ะนะมันไม่เกิดประโยชน์วันนั้นไม่ต้องหยิบนะ แาว่าพูดที่เอาไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมากหลวงพ่อว่านะเอาไปฟังเถอะนะ MP ็สของหลวงพอ่อแสดงธรรมและอบรมาาศรัทธาญาติโยมต่างกล้ำต่างวาระถ้าพวกเราลูกหลานได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาด้วยความตั้งใจจะได้รับความรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาได้รับรับความรู้ในการที่พระสงฆ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพระอยู่ป่าอยู่ดงพงไพ่นี่ท่านมีจุดประสงค์อะไร ท่านมีความมุ่งมั่นอะไรความในใจของท่านท่านมาอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรพวกเราจะเรรู้ได้ศึกษาเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมีมากมายอย่างเรียนมหาวิทยาลัยไม่รูกกี่แขนงตกกี่แขกี่แขนงถ้าใครว่าข้าพระเจ้าเฉลียวฉลาดก็พูดได้อย่างนั้นแหละแต่ทั้งอันที่ตนเองโง่นะ ไอ้โง่ที่ตัวเองไม่รู้นะมีต่างเยอะแยะไปไม่พูดนะเพราะฉะนั้นในโลกนะี้พวกเราไม่ควรจะอวดฉลาดนงแค่เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่านะเพราะสิ่งที่เราไม่รู้มันมีมากเหลือเกินสิ่งที่เรารู้นะมีน้อยนิดเพียงแค่หางอึงอาจจะไม่ถึงไม่ถึงกับหางอึงอีกต่างหากนะวิชาในโลกจนะมีมากมายขนาดวิชาแพทย์อย่างเดียว วิชาหมออย่างเดียวก็ยังมีหลายแขนงออกไปหมอตาก็ไม่เก่งไม่เก่งหมอหูอีกหมอหูหมอจมูกหมอฟันหมอผิวหนังหมอกระดูกกระดูกเขาแล้วกระดูหลังมีอีกมากมายแยกไปอีกเพราะนั้นเราจะไปเก่งข้าพเจ้าเนเก่งการสามารถเฉลียวฉลาดอันนั้นแปลว่าโอดหวดโง่ให้คนอื่นฟังเฉยเฉยนะ แปลว่าโอดโอว ด, ดความโง่ให้คนอื่นฟังโอดความโง่ของตนเองให้คุณอื่นฟังแต่ตามไม่จริงในโลกนี้มันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพระวิชากมีต่างเยอะแยะพิธีการทำอาหารอย่างเดียวเนี่ยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารไทยกี่อย่างเราจบไหมได้ไหมไม่ได้วิชาการอย่างอื่นน่ะการเกษตรล่ะ มีมากมายเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในโลกนี้ต้องเรียนรู้เรื่องการศึกษาผลมาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้ละ่ะพวกเราเขามาเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเอพระกรรมฐานพระธุดงค์พระป่าอย่างนี้นะ่ะท่านอยู่ยังไงท่านวัดบ้านท่านอยู่ยังไงทางวัดบ้านก็าเรียกว่าพระ เ, เรียนปริยัติธรรม ท, ท, ทางวัดป่าอย่างนี้เรีย ก, ยกว่าพระวิปัชนากรรมฐาน เรียกว่าพระวิปัชนาพระป่าพระป่าพระศึกษาทางด้านจิตภาวนา น, นั้นเรียกว่าพระปริยัติคือเรียนหนังสือเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราอยู่ป่าอย่างนี้แหละเป็นพร ะ, ะเมื่อเรียนศึกษาได้พอประมาณแล้วก็ออกมาปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ รักษาศีลอย่างไรเดินยังกรมวิธีการเดินยังกรมทำอย่างไงวิธีนั่งภาวนาไปทำอย่างไรและกาหนดจิตกําหนดจิตกําหนดใจนะให้มันอยู่นิ่งกาหนดอย่างไรจะทำอย่างไงจึงทำให้จิตใจสงบเรียกว่าเป็นสมถทหรือเป็นสมาธิเนี่ยเมื่อเป็นสมาธิเป็นสมถทเป็นสมาธิแล้วเราจะเดินวิปัสสนาอย่างไร การพิจารณาพิจารณาอะไรและทำทาไมถึงจิตใจทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร อ, อ, อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะท่านให้ความสำคัญเรื่องกายกับใจใจกับกายเรื่องปริยัติหรือว่าการเป็นอยู่นัาเรื่องของกายเครื่องของร่างกายเรื่องนามมาทำคือแนวความคิด เรื่องสมองแนวความคิดนะนะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญหลักของพุทธศาสนาให้ความสำคัญจุดนั้นนะจุดที่ว่านามธรรมจุดนั้นอ่คือนามธรรมคือตัวผูรโรโรท่านตัวนั้นให้ความสำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างมากพระป่าให้ความสำคัญในจุดนั้นมากคือว่ามนโนปุพังขมาธ ร, รมามโนเสรษามนโนบายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรเกิดตัวผู้รู้คือนมามธรรมนั่นแหละตัวที่มองไม่เห็นแต่ตัวนั้นสําคัญกว่าหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจตัวนมามธรรมเหมือนกับคนขับรถให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทันทั้งหลายสหาญาติโยมที่มาสู่วัดวาศาสนา ทำไมพระป่าพัดหดงท่านอยู่ลักษณะอย่างนี้มีจุดประสองค์อะไรนี่ยแหละหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งทั้งหลายเป็นแนวทางเอาไว้ว่าวิชาในโลกมีมากมายามีหลายหลายอย่างให้พวกเราศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่รู้กี่ขแขนงตกขีคแหน่งวิชาแพทย์อย่างเดียวไม่รู้กี่ขแขนงวิชาทำอาหาร ก็มีรู้กี่แขนงอีกเหมือนกันเพราะนั้นวิชาในโลกพวกเราต้องศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดวิชาในโลกเกิดมาแล้วตายมาเกิดมาก็ยังศึกษาก็ยังไม่จบอีกมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านรู้สยามภูรู้หมดทุกอย่างถ้าท่านอยากจะรู้นะเพราะท่านเรียนวิชามามากอย่าว่าสยามภูรู้แจงโลก มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านประกาศว่าท่านรู้ทั้งหมดแต่นอกจากนั้นมาแล้วถึงจะเก่งหมอตาก็ไม่เก่งหมอหูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายซึงยังไงก็ให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดทํามันคิดไม่ดีแล้วก็ทาออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีผลที่สุดการที่ ทำกรรมที่ไม่ดีสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำที่ไม่ดีนั่นแหล ะ, เ, ะเมื่อ เ, าเราทาลงไปแล้วกรรมที่มันไม่ดีล่ะมันจะให้ผลกับเรานะทีนี้ในเมื่อเราไปด่าเขาเเไปปาหมาดเขา เ, เลือไปดูถูกเกียรติยมพูดไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเนะี่ยเขาฟ้องร้องเข้ามาเลยตัวเองนะนะั่นกิบหายเลยทีนี้ สู้คดีความมือลุกเท่าไหลต่อรถเท่าไห่ผลสุดตัดฉินเข่าคุกเข่าตารางนี่แหละอันนี้ก็คือพูดไม่ดีเราต้องระวังคําพูดของตนเองการทําไม่ดีก็เหมือนกันไปฆ่าคนอื่นขโมยคนอื่นล่าละประโรงในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นอันนี้ก็คือดื่มสุราเข้าไปขาดสตินี่แหละคือทําไม่ดีเมื่อทําไม่ดีเข้าไปแล้วนะั่นผลที่ไม่ดีก็ติดติดกิด โคกติดตารางอีกเหมือนกันนะนะเสียหายทรัพย์สมบัติชีวิตทั้งชีวิตล่มจมไปหมดเพราะเหตุใดเพราะทําไม่ดีถ้าพูดไม่ดีก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะพูดเท็จพูดซ้อนซื่อพูดโกหกพูดซอเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจอพูดหาสระประโยชน์ไม่ได้พูดยุแยงกระแทงให้รั่วพูดให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองของเขาอีกล้การพูดการกระทําขม อการกระทําก็อย่างที่ลุงพ่อค่าจัดคิดค่ากันอย่างนี้แล้วก็คิดล่ะท่านนี่อันนั้นคือทโพูดนะคิดนี่คือต้องคิดซะก่อนยังค่อยทําน่ะเอหลักของพุทธศาสนาท่านมองดูจุดคิดเนี่ยเอมันคิดซะก่อนมันยังค่อยทํามันคิดซะก่อนมันยังค่อยพูดเนี่ยแต่บากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยยังไม่เอาความคิดนะผิดไม่ไม่ผิดนะ แปลว่าไม่ผิดถ้าคิดไม่ผิดทางกฎหมายบ้านเมืองแต่หลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยมันคิดมันผิดตั้งแต่ความคิดนะถ้าคิดไม่ดีเราว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดโลภอยากจะได้ของเขา ค, คิดพยาบาทปองร้ายเข า, เาคิดเห็นผิดอยากทานองคลองทม เ, เพียงแต่คิดเท่านั้นจิตใจก็เป็นทุกข์ละจิตใจ เศ้าหมองแหละจิตใจไม่ผ่องใสแหลอมันคิดซะก่อนแล้วก็ค่อยทําออกไปแล้วก็ค่อยพูดออกไปผิดกฎหมายและทีเียวผิดศีลผิดธรรมและทีเดียอแต่ว่าคิดเฉยๆเนี่ยอผิดนเอในหลักของพุทธศาสนาเราผิดผิดคุณธรรมคือเป็นการทํากรรมการทํากรรมํามทำได้สามทางมโนกรรมคือคิดผิดคิดถูกคิดผิดเนี่ย คิดถูกเป็นกุศลกรรมถ้าถ้าคิดถูกเป็นกุศ ล, ลกรร ม, ถ, ถ, ถ, รรมถ้าคิดผิดเนี่ยเป็นอกุศลกรรมนี่แหละคิดผิดแล้วนะลูกหลานนะเพราะนั้นพุทธท่านที่ว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธนะไม่ต้องคิดอย่างอื่นเอาวันนี้หลวงพ่อไม่พูดอะไรมากนะคณะทายาทโยมรับพรในตอนนี้นะมาวัดทั้งทีมาทัศนศึกษาถ้าเราอยู่แต่เมืองโคราชเนียเราก็คงไม่เห็นวัดป่านาะคําน้อย แต่มาบัดนี้มาเห็นทัศนศึกษาจากนี้ไปก็คงจะขึ้นไปดูพระพระภูก้อนนะพระหินไวเคลล่านประเทศอิตาลีนะสวยงามนะ เ, เขาทำได้สวยงามมากศิลปะไทยเพิ่งทำเสร็จไม่กี่ปีเนี่ย น, ะนี่แหละของวัดของหลวงพ่อเนี่ยองดำเนี่ยก็ไม่ใช่สีดำทานนะลูกหลานนะเป็นหินนินสเปนนะ่ะเป็นหินดำ เป็นหินดําประเทศสเปนอนะอามาแล้วก็มากแกะมากแกะเป็นรูปหิ น, หนนะเห็นเห็นไม่ยังมีในคลองสายแรกขาวๆอยู่ในองค์พระ น, ะนี่แนละเป็นพระพุทธรูปเขาแกะเป็นหินประเทศสเปนนินสเปนนะเไม่ใช่ทาสีนะนนี่นะ เ, เป็นหินหินหินก้อนหนักหนั ก, น ก, นกมากๆนะยขนาดกระถางทูปนะี่นะกระถางทูปนะี่ หลวงพ่อยังกลัวเขาเขโมยอยอันนี้ก้อนละแสนนั่นนี่นะหามเกือบสิบคนก็ยังไม่ขึ้นอ่ะอะเป็นหินนินสเปนเหมือนกันคนรุ่นใหม่ดูๆแล้วก็โอ้ไม่ใช่ไม่แพ้คนรุ่นเก่าเหมือนกันนะเราเห็นปาหินปาจาดหินพี่หมายเขาทําแต่พอมาเห็นของเมืองที่ลูกหลานเขาทําในยุคนี้สมัยนี้ก็โอ้เขาทําได้นะเพราะเขาเก่งนะ เอาลับพอในสน่หนะลูกหลานคณะัทธาญติโยมนะ